เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องค่าของเงินอยู่ที่ไหนเงินซื้อเตียงนอนได้แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้ เงินซื้อกระดาษปากกาได้แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้เงินซื้ออาหารดีๆได้แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้เงินซื้อความประจบสอพลอได้แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้เงินซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักพักดีไม่ได้เงินซื้อเพชร น, นินจินดาได้แต่ซื้อความงามไม่ได้เงินซื้อความสนุกชั่วคราวได้แต่ซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้เงิน ซื้ออำนาจราชศัก์ได้แต่ซื้อปัญญาไม่ได้เงินซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้เงินซื้อเมียที่สวยได้แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้เงินจะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น